มารู้สึกว่าพูดดิเรี่ยวๆธรร <c oughs> มะที่พูดคนที่พูดก็วจำไม่ได้ว่าพูดอะไรเพราะธรรมะต่านเหนมือนธรรมะติดสางมาจากต้นรา <c oughs> มีอะไรผ่านมาก็พูดไปเ <c oughs> ท่านั้นการฟังธรรมะด้านปฏิบัติ คือฟังเรื่อฟามสงบสงสัดของจิตทีนี้ทีงง่ใจมาอยู่เฉพาะหน้าพอธรรมะที่เราพลูดไปนั้นถ้าไม่พูดออกเหนือไปจากตัวของเราือพูดอยู่ในขอบข่าย <c oughs> ของสายจิตไม่ได้พูดออกไปจะเลดเสเ่้มข้างนอก ด้ยการสืบได้ธรรมามาสอนโลกทํานก็พิจาณากายจิตของธ่รมัาจจะเรียนสำหรับตำรามาจากที่ไหนเพราะชีเลศเกิดขึ้นจากใจมักผลก็เกิดขึ้นจากใจแะนั้นจึงศึกษาอยู่ในตำราตำายใหญ่คือกายและใจของตัวเท่านั้นตำราอื่น ก็ชี่เขามาหายตายหาใจที่เขาียนเราไว้จะเป็นมัจแปดสัมาทิสจิตสัมมาสังกปรสัมมาวาจสัมมาสัมปันโตสัมมาชีวสัมมาวาโโมสัมาสติสัมมาสมาทิสัมมาสติสัมมทิสจิตสัมมาสังกโตก็หมายถึงปัญญาปัญญาก็คือเกิดจากดวงใจไม่ใช่เกิดจากที่อื่น ขาใจโง่ใจไม่มีปัญญากายวายใมันก็พูดไปอย่างโง่ๆเสียๆสัมมาวายใจสัมมาธรรมเม็นตัวมาอชีวะก็คือศีลศีลก็คือการรักษากายวายใจกายวายใจมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ กับเจียวของเราไม่ใช่หรือที่มันอยู่ตามตำลับตำราส่องฟ้าอาจะาเราเปิดขึ้นทินิทโทมาเจนาโทมาภายในสมาามาวายาโมสมาสติสัมาสมาธิก็หมายถึงสม า, สมาธิคือจิตตั้งมั่นนี่ก็หมายถึงใจอีกเหมือนกันแค่นั้นสําหรับตารา ทีดเขียนออกไปหยืดยาวสองหนึ <c oughs> ่งสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ไม่นอกเหนือไปจากกายใจของพวกเราท่านากรนารพิจารณาตายใจจะพิจารณาอย่างไรจึงจะทำให้จิตใจสังเกตุนั้นมันเป็นปัญหาสำหรับพวกเราท่านแต่คนทีดเคยก็เพื่อปฏิบัติมาก็ไม่ยากไม่ลำบาก ไม่เป็นปัญหาอะไรเหมือนกันกับเราเคยทำงานมาแล้วงานนั้นเคยพอจะทนก็าทำได้เชนเขียนหนังสือบวกลบคูณหารห น, นึ่งเลยเหม้นกันพอเราเคยมาแล้วคนที่ไม่เคยจะดูตัวมันก็ไม่ออกมันจริงลำบากยากยุ่งอย่งางกาจิตมันก็มีอยู่ทุกทื้นหน้า ทุกบุคคลแต่ที่ว่าจะรักษากายจิดทรงเนอย่างไรจึนจะเป็นไปถึงความชอบความสุขความสบายนั้นมันเป็นปัญหาสำหรับคนที่เคยศึกษาเคยปฏิบัติมาเพราะความยุ่งเกิดขึ้นความเพลงเกิดขึ้นความวิตกกังวลเกิด จะละจะถอนจะแก้จากไข่บางท่ายที่เกิดขึ้นจากใจของตัวแต่คนนี้มีปัญญาที่จะปัดเป่าจิงเหล่านั้นให้จกหายไปได้เมื่อจิงเหล่านั้นมาก่อควรนจิตก็ยุ่งเดือดร้อนวุ่นวายแผลความสุขสงบสบายในดัน้ฉะนั้นการปฏิบัติอาจทำที่พระพุทธเจ้าสอน คือสอนให้ปฏิบัติกายจิตของตัดจริงที่ชั่วจีเสีย ต, ต่างๆที่เราทำเราพูดนั้นเราต้องคำนึงคำนวณที่นี่ที่จะเรียนาว่าเขาทำต่อเราเขาพูดต่อเราเราชอบใจพอใจมะมมีความลุกความสบายมะเนี่ยเขาทำ ชั่วทำเสียปูดชั่วปวดเสียต่อเราถ้าเรามาที่นี้พิเยนาอย่างนี้การที่จะไปทําไปพูดกับคนอื่นเขาอย่างเสวอย่างเสี ย, ย, เ, สยเขาก็มีความไม่พอใจไม่เต็มใจเหมือนกันกับเราสิได้รับฟังจากเขา mm. ที่เขาทําต่อเราไต้องคํานึง่งคานวลที่นี้พิเยนาอย่างนี้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 มันเป็นคิดเป็นไผสำหรับคนอื aces, <me> ่นส <ination> <ag> ัตว์อื่นเราควรต้องรักษามาเหตุตายวายจาของเราไปทําไปพูดนี่คือการรักษาศีลการรักษาศีลแต่คือรักษาตายรักษาวายจาไม่ใช่ศีลก็อยู่ตามสําหรับจาลาอยู่ทงฟ้าอาศัยอยู่วัดอยู่วัดอยู่ป่าอยู่เขาศีลอยู่กับตัวของเราทุกท่านทุกคนจึงควร รู้ว่าศีลก็คือตัวของเรานี้เองเป็นตัวของศีลถ้าเรารักษาตัวของเราศีลจะมากขนาดไหนแต่ไม่ไปทําไปพูดสิ่งที่เสียศีเสียรักษาตัวโดยสติศีลที่เจนาโดยธัรมยาว่าสิ่งนั้นมันชั่วมันเสียมันเป็นที่เป็นไทยแก่กายแก่ใจของคนอื่น เรากลัวรักษังเพราะเราไม่ชอบสิ่งที่เสียที่เสียทำไมจะเอามาประดับไปรดไปไปาฝ่ายวายชาของตัวของเน่าของเหม็นของไม่เป็นประโยชน์ทําไมเราทิ้งหามาประดับประดาเหนือเอาของเน่าของเหม็นของไม่เป็นประโยชน์มาประดับประดาอย่างนั้นคนรทิ่วไปที่เขามีจิตใจเป็นอัตเป็นธํา ใช้ใจแข็งและเฉื่อยไม่ใช่ใจนิ่งพเราก็ทราบดีว่าสิ่งที่เกี่ยวขี่เสียนั้นคนดีทั่วไปเข้าในสองกระสแสไรจะต้องรักษากายราจาของเราในช่วงในเสียเดี๋ยวอนนำนาจความผักดันภายในตัวใจสิเง่เงาใจสิไม่รู้เท่าสิ่ง ต่างๆตามเป็นจริงผูดไปเถี่ยเขาเกลียดใจด่าเขาว่าเขาทําไปด้วยความอิจฉาเหยียดเยียนจากบุคคลมันไม่ดีเกี่ยวกับเราที่เจนมาแล้วหากเขามาทํากับเราอย่างนั้นเราคงพอใจเน้นฟันแต่นั้นพระพุทธเจ้าถึงว่าเป็นโทษที่ในรักษาในที่เจนมา ให้แน hey, yeah. ่นอนเห็นรักษาในยากหากเราเห็นเรื่องความเสี่ยงความเสียเป็นของไม่ดีแล้วเรารักษาง่ายราะของเสี่ยของเสียเราไม่ต้องจับไม่จัถนาเหมือนกันกับเรารู้จักว่าไฟมันร้อนเรารักษาง่าพอเห็นเท่ากูรีบไปไม่จับไม่แกะต้องไม่เหยียบ มันก็ไป็นแดดเผาให้เราร้อนเราเจ็ดสีนกับทานองเดียวกันสีนเป็นข้อสำคัญทางศาสนาข้อหนึ่งซึ่งท่านพูดเอาไว้ในตำหรักตำราว่าใจสิก ข, ขาเือสิก ข, ขาสามอย่างได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้ ม, มุ่งดีรังดี แสดงความสุขจะต้องรู้จะต้องศึกษาจะต้องทีพเจาราจะต้องปฏิบัติตามหากไม่พิจารณาหากไม่มีศีลโลกอันนี้วุ่นวายไม่มีความสุขความสบายเพราะศีลเส้นเหลืองยังโลกให้เป็นสุขให้สบาย คือวุ่นวายมีตำรวจสังหารลบลา่าฟันกันเฉพาะพวกเหล่านั้นเพราะไม่รักษาศีลถ้าเพรารักษาศีลันทุกท่วนหน้าจะไปมาสถานคือใดมีอะไรก็เมต้องหินหวงรักษาเพราะคนทุกคนมีศีลแต่จำตนแล้วยื่ด้วยกัน็นสุกสังคมนั้นไม่มีใครอันตรายนี่หมายถึงศีล เป็นเบืองต้นที่ควรจะมีความสุขความสบายเราอยู่ในวัดในว่าในบ้านในช่องหากต่างท่านต่างคนมีศีลเดียวกันแล้วจะทําการงานด่างสองโลกก็สะดวกสบายในห่วงแต่สิ่งนั้นจะเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จะเป็นอย่างนี้เพราะทราบดีว่า คนทุกคนมีขีนในล่วงเกินในรับในทะมยในคนขี่ข่าตีการ ง, งานเกิดธุรกิจทองโอก๊กปเจริญเ้าหน้าตัางวันไปทาการทำงานกลับมาบ้านก็หลับนอนสะดวกสบาย น, นี่ไม่เป็นอย่างนั้นตัางวันไปทำงานตลางคืนมารักษาของเมื่อเป็นอย่างนั้น นอนไม่เป็นสุกกำลังท้งตายก่อนทียร์ลงไปจะทำารงานอย่างเต้มที่เป็นฐานก็ไม่ได้เพราะกายไม่มีกำลั ง, างหายได้รับทานหรือพักผ่อนหลับนอนเป็นตามความปรารถนาั้ง ต, ตั่วแล้วนั่นก็ทำได้การงานถึงจะยากลำบากขอพ่อ ผู้พออดพอทนต่อไปทางคนมีศีนด้วยการทุกขทนน่มันจะดวกสบายอย่างนั้นไม่มีการรลบรลาข่าวันไม่มีการเหยียดเดียนอิจฉากันมี่เชื่อศีน์ืีพระพุทเจ้าจ้างให้พวกเราศึกษาศีนเกิดจากตัวของเราคือเกิดจากกายจากวาจ า, า, จ า, าใจเป็นผู้รักษา ไม่ใช่คนอื่นจะมารักษาให้เมื่อมีสีนในตันนิในการทำการพูดของตัวตัวของตัวก็ไม่เลยตันนิตัวของตัวตมมต ว, ต ว, ว่าชั่วว่าเสียเพราะการทำการพูดในรอบข้อบทำาวามเสียหายเดือวร้อนให้ศสตร์ในบุคคลแบบนั้นมันไม่มีในจิตในใจตสือตาที่แจมมาแล้ว มันก็สูกกาสบายปกติดีงามจิตที่จะจะรีนสมาธิคือความตั้งมั่นของใจเรี ย, ยวกว่าสมาธิมันก็เกิดมีกำลังขึ้นโดยมาสมาธิขทนแปลเราความตั้งมั่นของใจแตสมาธิคือการพูดกัน ในด้านปฏิบัตินั้นก็หมายถึงความตั้งมั่นของใจและความลงรวมของใจใจของพวกเราท่านโดยควรใดญ่ถ้าหากไม่ฝึกหัดปฏิบัติทางธรรมะจะไม่มีโอกาสเวลาลงรวมได้ถึงตั้งมั่นทําจิตามอะไรขอเอาใจใส่ก็อจิงตั้งมั่นได้ แต่หากในโรงรวมให้ใจในโรงรวมไม่มีความสุขเพียงพอส่วนการฝึกหัดปฏิบัติทางศาสนาทางพระพุทธเจ้าทาน่นแนะนนั้นหมายถึงแะนะนกํำหนดจิตใจให้สงบละไรเงี้ยรวมรวมอุบายที่ทีสี่พระพุทธเจ้าทำมาท่านกำหนด ลมหายใจเข้าออกนี่เป็นอุบายของท่านท่านถูกอันนี้แต่บางท่านบางคนถูกวลรรมบทธรรมต่างๆแล้วะจ่ิตนิสัยของใจชอบอะไรนำมากำหนดทีนี้ที่เจนาเพถูกจิตรักษาใจในใจคิดไปตามอารมณ์สัญญาต่างๆ เมื่อเรารักษาตั้งแน่กำหนดจิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้เนใจรวมเป็นสมาธิจะเป็นคณิตะสงบระยะสั้นกอตาจะเป็นอุปจจรักสงบแล้วเฉียวไปรู้เห็นจิ่งหนนั้นกอตาจะเป็นอปปนาสงบนิ่งนานๆในถอดถ้วงห่อยกอดตา ก็เป็นการปฏิบัติอัตรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคนที่สงบลงไปสวกระยะสั้นก็เห็นความอัศจรรย์ของใจพอเราเกิดมายังไม่เคยประสบพบเห็นความสงบอย่างนั้นว่ามันมีความสุขความสบายอย่างไรในความสงบเราไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นโดยส่วนใหญ่ เพราะความหมายเห็นใยเป็นในสมาธิในอดในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนคนถั่วไปจึงไม่สนใจว่าธรรมนั้นจะนำความสุขม่ให้อย่างไรเลยเทอเทนมัวเมาเฝ้าฝันไปดูริเจดูละครดูหนังฟังเพลงไปเสียอันนั้นมันเพลิดเพลินมันสนุกสนานดี เสียเงินเสียทอ ง, องเสี ย, เยเ ก, ยกเป๋าเสียของเถวอะไรก่อเสียนใจไปเพราะมันให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่ด้านของสมาธิจิตคนเหล่านั้นไม่เคยผานเคยเห็นเคยเป็นในเาขาเขาเลยเจนติดข้างนอกถือ้างนอกว่าเป็นของดีของดีสุดยืนจนแผลงแหาแต่ภายในจิต ใ, ใจนั้นไม่เคยเห็นความสุข ความสบายอะไรจากการอบรมใจท่องตัวทําสมาธิภาวนาควาจึิงแสวงหาอย่างนั้นถ้าเขาเห็นเขาเป็นในการตัวเชืปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตเกียความสุขความสงบความสว่างสวัยของใจแล้วเขาจะไม่ยิ่มวุ่นในสัญญาอารมณ์ภายนอกเขาะความสุขที่แท้จริง มันอยู่ในจิตในใจพอทาไปสงบเข้าเท่านั้นกว่าจะทราบดีว่าความสุขนี้เป็นสิ่งที่วิเศษประเสริยิ่งกว่าความสุขทางโลกไม่มีความสุขอะไรในโลกที่จะเทียบเท่าเทียมถึงความเป็นความเห็นความสุขภายในที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันนี้ทราบดีในต้อง ให้คนอื่นมาบอกเพราเราได้สัมผัสไปจากในจิตในใจของเราเมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นความคิดทือเคยฟุ่งฟุงว่าอยากจะไปดูหนังฟังเพลงต่างๆมันก็หายไปเพราะสิ่งเหล่านั้นทําหลงไหลทางใจไม่ใจความฉุกเฉิแท่จริงแน่นอนอะไรคนไม่เห็นเมื่เป็นอย่างนี้ เขาจึงวิ่งวุ่ น, นมัวเมาเส็จเทนหลงไหลแต่เขาเห็นเขาเป็นอย่างนี้เชื่อมัน่นว่าทุกท่านไปจะเต็มใจฝึกอบรมภาวนาทำความสงบสงัดของจิตมันทราบดีเข้าใจดีเพราะตัวเป็นตัวเห็นตัวรู้นี่คือสอมาธิความลงวมวของใจคนที่ยังไม่เคยเห็นเคยเป็น เราทราบไม่ได้เราลดชาดของสมาชิกภายในใจสงบมีความสุขอย่างไรถึงจะบอกขนาดไหนเพราะเขาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยแต่ทำไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นในเขาถึงทำก็ไม่เห็นไม่เจนแล้วเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันกับคนที่ไม่เคย รับทานกลิ่นมัน ấy. มีรสชาติอริดอร่อยเขาก็ไม่ยากเพราะเหียบไปเขาเขาไม่เคยรับทานแต่เขาเคยรับทานแล้วเขาสราบดีในบอกว่ามันอร่อยเขาก็ข้าบว่ามันอร่อยในตัวของเขามี้พวกชาวานาฝึกหัดปฏิบัติจิตใจก่อนทำนองเดียวกันเมื่อเต็มเช่นนั้น ผู้ที่ฝึกหัาปฏิบัติอย่างจิตใจทำจึงเต็มใจที่จะพักจะอาศัยในที่ยิเวกพื่อไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนภายนอกมาได้ยุ่งกับการงานภายนอกมุ่งหน้ามุ่งตาเดินจงกรมภาวนารักษาจิต ถึงที่อยู่ที่อาศัยจะไม่ใหญ่โตสวยงามกอดตามอาหารจะลำบากคือเตียงขนาดไหนกอตามหากจิตใจของท่านจะแรงข้านมากโดยการจะที่ปฏิบัติภายในท่านอนะ ย, ย, ยู่ได้ท่านมีอาหารท้องใจ ท, ท่านสุขท่านสบายมมได้อยู่แบบของโลก โลกเขาอยู่เดี๋ยวความรู้หรามีท่านมนอยู่แบบนั้นเพราะใจของท่านมีความสุขความสบายความสงบพระพุทธเจ้าจ่ายจริงสรรและเสริญวาววิวคืออาจารย์ที่ท่านมีอัมีคำ ม, มาสอนโลกโดยส่วนใหญ่กอสรรและเสริญวิววิวอย่างวิบุญพวกเราชอบอย่างวิอย่างวิเวิวพวกเราไม่ค่อยชอบ สถานที่ได้ส ง, งบสงบตั้งหน้าปฏิบัติสะดวกส บ, บายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนัง่งนอนแล้วไม่เคยชอบคิดว่าที่นั้นไม่สนุกสนานนี่คือเรื่องที่เหลือสมานของใจมันเป็นไปแบบนั้นถ้าหาคนมีอาบมีทำไม่เป็นแบบนั้นทําอยู่ของท่านองค์เดียวนั่นแหละมันเกีเ่ยวข้องเรื่องอื่นสนุกสบายที่เจ้มานะอะไร ตามทตามเป็นกินท่องมันอยู่อย่างนันสิงใดมาสัมผัสถ่านมาทางหูทางตาผ่านที่เจนนะใส่เป็นอาจเป็นทำไปหมดถึงท่านอยู่ไม่มีคือมีอากาแต่เท่าไหรใจของท่านเป็นธรรมที่เจมาอะไรทั่วไปในโลกเป็นธรรมสุขสงบสบายสั่งท่าน เมื่อได้รับสัมผัสจากสมาธิคือความลงรวมค้องใจสงบสงับค้องใจหยุดใจตัวตั้งมัน่นเชื่อมัน่นหว่ามนักผลนิพพานถึงแม่พระพุท้เจ้าจะจาปรนนิพพานนานไปแต่งสองพันห้าร้อยกว่าปีกว่าตามไม่มีอะไรที่จะเสียไปหมดไปตามกาลตามสมัยสมกับว่าทาเป็นอาสาลีโก เพื่อมีการมีสมัยใายตั้งหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติรักษากําหนดที่เจนาจะต้องรู้เพราะทราบเห็นเจนขึ้นจากการกระ ท, ทามท่องตนเชื่อมั่นอย่างนั้นนี่คือสมาธิความตั้งมั่นของใจเมื่อเห็นความตั้งมั่นของใจความถุกของใจความสบายของใจมันก็มีศรัทธา ความเชื่อความเหลื่อมใสมีความเคียรอยากจะปฏิบัติจิตใจของตัวให้รู้ถั่วให้สงบตลอดระยะเวลาเพราะจิตลงรวมนั้นมันเป็นตามเป็นสมัยไม่ใช่ว่ามันเป็นอยู่ตลอดไปไม่เหมือนปัญญาที่ละขาดจากที่ิต จุดรวมนั้นเป็นกามเป็นเวลาพอทำถูกต้องถูกส่วนมันม็นรวมลงไปละงับดับสัญญาอารมณ์ทั่วไปให้ขาจากจิตจากใจของตัวใจนิ่งแน่วอยู่อันเดียวไม่เกี่ยวเกาะกับอารมณ์สัญญาภายนอกนี่คือสมาธิคือความรวมรวมของใจเมื่อถอดถอนขึ้นมา มันเกจะต้องมีอารมณ์ปัญญามาเกี่ยวข้องเหมือนมาเกี่ยวข้องถ้าหาจิตจิดสุขในสมาธิกว่าที่ว่าการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกนั้นมันไม่มีความสุขความสบายควารีบทําจิตทําใจให้สงบรวมลงไปอีกเลยในเกิดปัญญาลร้ที่เหลือได้มีแต่อาศัยความรวมของใจอยู่อย่างนั้น เหมือนจังกับหินทับยาพอยกหินออกเมืออะไรยามันก็งอกขึนมานี่ท่านว่าสมาธิข่มขีนีวานทั้งห้าไรเลีรีได้แบบเขารวมไม่ใช่ถอดถอนออกมาแลยละไม่ได้จะต้องเกิดราคะตัณหาเกิดทำปุงคิดติดขวงในอารมณ์ทั้งยาง แต่เทวอาสมาธินั้นเมื่อมันเนไป น, น, นานๆเข้าเรารวมลงถ อ, ถอนขึ้นมาเมื่อมีอารมณ์ทัญญยามายุ่งเกี่ยวจิตใจยังมีการหมันไหลยังมีการ <c oughs> เ, อเอียงไปตามเรื่องของอารมณ์ น, นั้นนั้นมันจะเกิดปัญญาที่เจรนาดินิดหน่อยแล้วทำไมจิตใจมันจึงเป็นอย่างนี้มีต้นเหตุ ที่จะเกิดอย่างนี้ปัจจุนมาจะต้องทีนี้ที่จะมาเรื่องต่างๆเสียเศ้าตามความจริงของมันปัญญาสาสฟันเรื่องีิเลดให้ตกหัดออกจากใจแต่อาศัยสามาธิหนุนให้ไม่ใช่ว่านึกเอาดาวเอาใจของเราไม่เค่รวมรวมไม่เป็นสมาธิ และสาระที่เหลือกันหาขาดจากจิตใจนั้นเป็นไปในได้ถึงจะคิดไปเป็นไปขนาดไหนก็นเป็นทั้ญญาไม่สามารถที่จะคว้าสาระที่เหลือกันหาให้แหลกะละเอียดดับไปได้ฉะนั้นสมาชิกจึงเป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งซึ่งพวกเราท่านนักปฏิบัติจะต้องที่นิ้ที่เจอศึกษาต่างหน้าต่างตาอบรมให้เห็นให้เชื่นในจิตในใจ พอมีสมาธิแล้วอย่างปัญญาคอยคิดชินิทุเจมาไปจิตใจที่มันกาเริบเสือสารจิตใจที่มันคลองจิบคิดปรุงนั้นมันเรื่องอะไรกันแ น, น่มันคิดคิดคล่งองยึดถือยึ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเหตุใดเราจะต้องิจเจณา หาสาเหตุสมุดฐานของมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นจริงเหล่านั้นมันมีความหมายมหหรือใจของเราไปยุ่งเกี่ยวจึงเกิดความหมายขึ้นจะต้อง่ิมพทพ่เศษนะเช่นราความกําหนัดของใจโดยส่วนใหญ่สัตว์ที่เกิดมาในโลกอันนี้ไม่ว่าสัตว์สัรือสัตว์มนุษย์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 เราพิเจารมาตามความจริงในสิ่งต่างๆนั้นมันจะเข้าใจโดยเด่นชัดไม่มีอะไรผิดบางอัมพาตจิตใจที่ไปยึดมันสำคัญหมายว่าหยิงหลาชายว่าสวยว่างามนั้นมันอะไรกันแน่รูปที่เราเห็นว่าดีว่าเด่นว่าสวยว่างามนั้นมันมีอะไรอยู่ในนั้นทีนี้พเจารณาแยกเยะ จิงนั้นนั้นหรือส่วนนั้นออ น, น, นั้นออกจากกันเช่นถลกหนังออกมันจะเป็นอย่างไรมนุษย์เราหน้าเหืยียมใสหน้าจูบหน้ากอดหน้าจำหนับยินดีไหมมันจะต้องพิจารณาไปเมื่อเราเห็นในจิตในใจว่าสิ่งที่เราไป ยินดีชอบใจเธอดเชินจิตข่องนั้นมันเป็นกองมูดกองขูดของสกโปรกโซมอมของเน่าของเหม็นของปติกูลในจิตข้องดีของวิเศษในกายของมนุษย์เต็มไปด้วยอสุภะคือความใหม่สวยใหม่งานไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมีแต่ขี้เต็มตัว เดี๋เราเป็นมแมลงวานเป็นหนอนหรือกินไปชอบอย่างนั้นถ้าหาเราไม่เป็นมแมลงวานเป็นหนอนเป็นคนที่มีสติปัญญาทําไมใจจึงไปปรารถนาไปแชบมันจะต้องเกิดปัญญาสิ่งภายในที่เจรณาตามเป็นจริงเขา